วันเี่3กันยายนปศ2ัญหา ร, าาร่่าณวัดาบันานปจัง ห, หวัดอุดรธา น, นีโดยพระอาจารย์มหาบุญญาณสังกโ น, รนพระเป็นเพื่ น, นักบวชคำว่านักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ ทั่วไปใ น, นีลกแต่ครั้มาเพื่นักบวชในทีน่นี้หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนาเริ่มแต่บวชเป็นทีตาประขาวบวชเป็นเนมบวชเป็นพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวช เป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมายถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจริงจิตนอกจากจะให้เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้ น, นจึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้ ธรมะเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้นคือความเกิดพึ้นอัตยายสายทุกอย่างไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นเพศแห่งหนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพศไหนงามยิ่งกว่าเพศของพระของเนนของขีปาปุขาวนี่เลยเพราะนักบวชนี้ถือความงามในความเปรดพึก มารยาทความเคลื่อนไหวนับแต่ออกมาจากจิตใจละบายออกมาทางกายทางวัจจาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วด้วยหลักธรรมะวินัยที่มีประจําอยู่ในองค์ของนักบวชนั้นๆ น, น, นั้นเมื่อระบายออกมาทางนอกจึงเป็นที่ น่าเรื่องใสยิ่งดีตนเองก็หาที่ตำหนิโทษตนเองไม่ได้เพราะหลักธรรมในซึ่งเป็นเครื่องรับรองความงามมาแล้วตั้งแต่เด็กดำบรรเป็นสิ่งที่ตนยึดถือไว้ภายในจิตใจอย่างแน่นหนามัน่นคงและระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองว่าเป็นความสวยงามนั้นอย่างยิงย่งนั้นทุกๆระยะ ไม่ได้แยกจากหลักธรรมนี้ไนแยกจากความเป็นนักบวชออกมาเป็นความประพฤติต่างๆที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นเพศที่ใกล้ครวนเป็นเทศที่ไม่ถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งิเด็ปัญหามาเป็นกระมาน แต่เป็นเพศที่ยึดเอาหลักธรรมนิไหนยมาเป็นทางเดินของจิตใจเป็นทางระบายออกแห่งกายวาจาทุกทุกสถานที่และเวลาไม่ลดละจากทางเครือธรรมนิหนย เะนั้นจึงเป็นเพศที่งามด้วยมารยาทงามด้วยน้ำใจที่เย็นด้วยธรรมอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเข้ามาเห็นแก่ท่านแก่เราโดยเป็นทิฏฐิมานะเข้าแสงใจแต่เห็นท่านเห็นเราโดยอัดโดยธรรม ต่างพันต่างระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดพลาดประการใดไม่ถือตนเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจะควรแก้ไขที่ผู้อื่นหรือตนเองเห็นว่าผิดฉะนั้น พระของพระพุทธทเจ้าหรือนักบวชของพระพุทธทเจ้าจะมีจำนวนมากเท่าไรอยู่ด้วยกันเป็นความสุขความสมาร่พรากกันเหมือนกับอวัยวะของตนเองการทะเลาะเบาแว้งจริงหาทางเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีช่องทาง ที่จะล่วไหลออกมาเนื่องจากต่างท่านต่างถือหลักธรรมะเป็นธรรมนบทิดกั้นความเสียหายนั้นไว้ไม่ให้ระบายออกมานอกจากจะพยายามขับทายจล่นยนี้ออกด้วยยิธีดัดแปลงตนทุกๆระยะไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมถรินนั้น ขึ้นมาให้มีความมากมูลภายในจิตใจและระบายออกเป็นความกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้อยู่ด้วยกันคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะมีความถูกต้องหรือสะอาดยิ่งกว่าหลักธรรมะนี้ไปเป็นสิ่งที่รับรองของโลกทั่วทั่วไป ในคำที่ว่าถูกต้องนี่นี่แลคือหลักธรรมะถูกต้องตามขั้นของธรรมะและตามขั้นของผู้จะนำปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนจึงเป็นผู้งามตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนปฏิบัติได้นักบวช วายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอย่างยิ่งให้สมกับคำว่านักบวดเป็นผู้มีหน้าที่อันเดียบถ้าจะแปรก็แปรว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ผู้มีหลักความถูกต้องประจําใจชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งหลักแห่งความถูกต้องนีชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ให้มีอันใดมีอํานาจเหนือจิตใจยิ่งกว่าธรรมะพยายามรักษาธรรมะไว้ที่ดวงใจเสมอ หากว่าใจได้ห่างเหินจากหลักธรรมจริงที่เคยชวยโอกาสจะถุดลากไปทางต่ำนั้นจะเอื้อมมือเข้ามาทันทีความประพฤตทุกด้านจะด้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฝ่ายต่ำนั้นถุดลากไปฉะนั้นโกรธได้พากันทำความระมัดระวังและเข้มแข็ง ตอนหน้าที่การงานของตนที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของตนเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้พยายามอบรมตนเต็มสติกำลังความสามารถในขณะที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พยายามบําเพ็ญตนให้เต็มความสามารถ เรื่องอนาคตไม่แน่นอนความพัดพลากจากกันไปนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีสินใดจะมาวัดตวงได้เพราะสิ่งทั้งนี้จะเป็นไปได้ทุกระยะการไม่ว่าท่านว่าเราขณะที่กำลังพอบําเพ็ญรือมีโอกาสอันดีอยู่เวลานี้จึงควรสนใจตนอยากยิน ให้ได้เป็นที่ระลึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นให้บำเพ็ญตนอย่างนั้นอย่างนั้นจนมาถึงบัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นที่ระลึกของใจผู้ที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถถวายชีวิตไว้กับเพศอันนี้ กรุณาได้ทำความสนใจและเข้มแข็งต่อหน้าที่ของตนให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับลำดับภายในใจอย่าให้เสื่อมถ้าใจเสื่อมจากทำเสื่อมมากเสื่อมน้อยต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาตามอำนาจแห่งความเสื่อมนั้นให้ประจักษ์ภายในจิตใจของผู้นั้ น, น, น หากใจยังมีทมคุ้มครองอยู่มากน้อยเท่าไรจะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองให้ทราบอยู่ทุกๆุกระยะการเช่นเดียวกันยิ่งใจได้รับการอบรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องลอเลี้ยงอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งนับวันเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจจ ะ, จะเดินจะเดินจะนั่งจะนอน อบฉันอยู่ที่ไหนไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนเพราะอำนาจแห่งธรรมรักษาไว้ฉะนั้นผ่านจึงกลาบไว้ว่าทมโมหะเวรคติธรรมจาริดพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วนั้นเราอย่าได้ไปหมายถึง ทางโน้นทางนี้ชาติโน้นชาตินี้พบโน้นพบนี้โปรดได้หมายลงที่จิตใจกับความชั่วที่มีตับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรามีความสามารถรักษาจิตใจของเราไวในระดับแห่งธรรมอยู่เสมอพระธรรมย่อมรักษาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ ลาดลงไปสู่ความทุกข์ให้รับความเดือดเกราะเดือดร้อนขึ้นที่ใจนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาเหมือนกันเรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติได้มากด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแยกพายของสติปัญญาเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งมีความละเอียดถ่องใส สิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝังอยู่ภายในใจก็นับวันจางลงไปเป็นลำดับลำดับทรมีอำนาจยิ่งขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมจากความเพียรของเรานั่นยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมรักษาเราอยู่ตลอดเวลาจะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรู้สึกระอายภายในจิตใจทันที แลจ้จะประวัติจิตด้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกทันทีเนื่องจากอำนาจของสติและปัญญาคอยกำกับรักษายิตไม่ปล่อยจิตให้เทินไปตามอำเภอใจของตนเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยอบรมนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาไว้ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติตนให้ถึงขั้นสุดยอด แห่งธรรมะที่เรียกว่าถึงความมัสุดของใจโดยสมบูรณ์แล้วใจทั้งดวงก็เป็นธรรมทั้งแถ่งความคิดความเห็นทุกด้านที่คิดออกการเวลาใดก็เป็นธรรมด้วยกันใจกายเป็นธรรมเสียเองแล้ว ก็ไม่จําเป็นจะต้องหาพระธรรมที่ไหนมารักษาเพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยู่ที่ใจเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจเป็นประจําด้วยอํานาจแห่งความบริสุทธิ์แล้วนี่จึงหมดปัญหาในธรรมที่ว่าพระธรรมจะตามรักษาหรือไม่ตามรักษาเพราะพระธรรมอยู่กับเราแล้วไม่มีเวลาพัดพรากจากเรา และไม่ต้องระ ม, มัดระวังรักษาว่าจิตของเราเมื่อได้รับสัมผัสอารมณ์จะเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วไปตามจะมีความยินดียินร้ายไปตามไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ์แน่คือใจที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข จะเรียกว่าทรรมโมหายวิรัชคติธรรมะจะริ้งอยู่ตลอดการก็ได้คือพระธรรมรักษาอยู่ตลอดเวลาพระธรรมได้ใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความพอดีสำหรับใจแล้วไม่มีความปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ยิ่งไปกว่าความบริสุทธินั้นอีกต่อไป และไม่มีความปรารถนาจะให้อะไรลดหย่อนทอนลงไปยิ่งกว่านั้นมีความพอดีประจําตัวอยู่ตลอดการนี่คือใจที่เป็นองค์ธรรมแท้เป็นอย่างนี้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวนี่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราหรือไม่ เราจะเรียกว่าค่าธรรมรักษาเราเพ่อเราบำเพ็ญทำให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหรือเราจะเรียกว่าไม่มีอะไรจำเป็นเพราะหายจากโรคแล้วยาก็ขาดความจำเป็นลงไปอย่างนั้นก็ถูกแต่เป็นประเภทแห่งธรรมะไม่ควรจะกล่าวอย่างนั้น เพราะธรรมะข้างนอกก็มีข้างในก็มีส่วนยาบก็มีส่วนกลางก็มีส่วนละเอียดก็มีควรจะกล่าวได้อย่างเต็มใจของท่านผู้ที่รู้นั่นว่าใจนี้ได้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงจะว่าทรรักษาหรือไม่รักษาไม่มีข้อค้องใจอะไรภายในท่านผู้รู้ถึงขั้นนั้นแล้วนี่เป็น เข้าใจว่าเป็นธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่รู้เห็นธรรมประเภทนั้นและเป็นอันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมอยู่ตลอดเวลาและเข้าเฝ้าพระสงฆ์สาวกอราหาันท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดที่จะห่างเหินจากพระรัตนตรยัย เพราะธรรมชาตินี้กับพระสนัตรไรเข้ากันไนแ้แนวโดยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันีการปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโมฆะถ้าต่างท่านต่างมุ่งปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลักธรรมวินัยจริงๆจะต้องประจักษ์ขึ้นภายในใจอย่างที่กล่าวมานันี้โดยไม่ต้องสงสัย ความอิดหนาละอาใจความทอดแท้อ่อนแอในงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกๆจินโปรดได้ถือว่านั้นว่านั้นคือกิ่งจิตขวางทางเดินของเรารีดพยายามแก้ไขดัดแปงหรือเบิกทางทันทีเพื่อการเดินของตนจะได้เป็นไปด้วยความสะดวก ความทุกข์ในอัตภาพนี้เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วจะไปถามโลกใดก็ต้องหรือท่านผู้ใดก็จะต้องพูดในทํานองเดียวกันคือไม่มีความสงสัยในขันอันนี้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกทุกมากทุกน้อยทุกมาตั้งแต่ วันไหนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับความสัมผัสตลอดมาจากขันของเราด้วยกันไม่มีแง่ที่จะควรสงสัยว่าจะกลายเป็นแท่งทองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากกองทุกจากขันอันนี้ขันนี้จะเป็นขันอันนี้อยู่ตลอดวันสีหลายของเขาใจผู้มีอุบายที่จะแก้ไขตน ให้ทราบทัดในเรื่องของขันที่เกี่ยวข้องกับตนและแยกแยะ ก, กันออกได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจะเป็นผู้หมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของขันนี้เป็นลําดับๆจนเป็นผู้มาหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันนี้โดย ก, การทั้งปวง เราเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกคะแนนตรีคะแนนโทคะแนนเอกทางโลกและทางธรรมใช้กันมาจนชินหีจิตตรีจิตโทจิตเอกนี่เรายังไม่เคยได้ยินทั้งทั้งที่จิตก็มีอยู่กับเรา ฉะนั้นเพื่อความรู้เรื่องของปรีโทเอกว่าจะมีในจิตเหมือนอย่างภายนอกนั้นหรือไม่โปรดได้เลือกเฟ้นฝึกซ้อมตัวเองสอบคัดเลือกตัวเองโดยความขามัขมิ้นเข้มแข็งต่อความเปลี่ยนของตน คำว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะมารู้ที่ใจนี้ชั้นตรีก็คือจิตที่ได้รับการอบรมบำเพ็ญในขั้นต่ำมีความเชื่อความมความเลื่อมใสมั่นคง ต่อสมาธิของตนไม่มีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรนี่คือว่าถ้าจะเทียบก็เหมือนชั้นตรีชั้นโทหมายถึงขั้นของปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นไหน อารวมเข้าในขั้นปัญญาขั้นเดียวกันจะปัญญาขั้นที่เกี่ยวกับทั้นตรีมาก่อนก็ตามประมวลเข้าไปสู่ปัญญาสู่ขั้นโทจนพิจารณารอบรอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายในทั้งขันหยาบขันละเอียดขันหยาบคือรูปกายขันละเอียดคือนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รู้รอบพอบทันกับเหตุการณ์ที่ขันไหวตัวนี่เรียกว่าปัญญาขั้นกลางหรือเรียกว่าจิตชั้นโถ ข, ของนักปฏิบัติชั้นเอกได้แก่ปัญญาที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งสามารถทำลายภพชาติที่เคย พุ่มห่ออยู่ภายในจิตใจจนเป็นเหมือนหนึ่งประหนึ่งว่าใจกับกิเลสประเภทนั้นเป็นอันเดียวกันที่ท่านเคยกล่าวไว้เสมอในหลักธรร ม, มว่าอวิชชาปัญญาขั้นนี้สามารถทำลายตัวพบตัวชาติอันเป็นสถานที่เกิดแห่งขันห้า คือรูปเบญธนาธรัญยาสังขารยินญายให้พาตะบันออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์สิ่งที่เคยแฝงอยู่ไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดได้หลุดลอยออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่ถ้าจะให้ชื่อว่าชั้นเอกก็ไม่ผิดมีอันเดียวเท่านั้นแต่ความบริสุทธิ์ พยายามเรียนสอบตัวเองมีข้อคงใจที่ไหนจากความรู้ความเห็นที่บําเพ็ญไปให้ศึกษากับครูกับอาจารย์ตามเรื่องร่องรอยของจิตเข้าให้ถึงตัวจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดออกมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้ คือกายนี้เป็นร่องรอยของจิตผู้มีภพมีชาต์ฝังอยู่ภายในตัวเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือร่องรอยของใจที่มีภพภพชาต์มีเชื้อเื้อวิชาผิดเป็นเหตุให้มีภพมีชาต์ฝังอยู่ภายในใจตามร่องรอยนี้เข้าไปฉะนั้นการพิจารณาขันห้าจึงเป็นเหมือนกับเขา เหมือนกับเขาตามรอยโคตามไปจนกระทั่งถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็ไม่จำเป็นเพราะโคจะเหยียบเป็นร่องเป็นรอยไปจนกระทั่งถึงตัวของเขานั้นมันเป็นไปจากเท้าของโคทั้งนั้นเมื่อไปถึงตัวโคแล้วเรื่องร่องรอยของโคที่เหยียบไว้ซึ่งเราเคยตามไปนั้นจึงไม่มีความจำเป็นก็ไปจับเอาตัวโคััน จะได้ทุกๆอาการของโข ร, รอยที่เป็นเจ้าของรอยจริงๆก็คือเท้าของโขก็อยู่กับโขกนี่การพิจารณาขันทั้งห้าคือโรคเบทนาสัญญาสั้งขารมิญยา น, นี้ก็เพื่อจะตามร่องรอยเข้าไปให้ถึงตัวจริงของจิตเมื่อเข้าถึงตัวจริงและจับตัวได้แล้ว ทำมาจับตัวได้ในที่นี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจิตนี้ได้หมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละชื่อว่าหมดความจำเป็นที่เราจะมาตามร่องรอยรูปเวชนาสัญญาทั้งขานยิยนญาเพื่ออะไรอีกทันไม่มีนี่ชื่อว่าหมดความจำเป็น แต่การพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมคือความอยู่สบายในทิฏฐธรรมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจะปลอยวางกันไม่ได้ตลอดวันนิพพานสำหรับท่านพูดถึงขันนั้นแล้วเนื่องจากระหว่างขันทั้จิตที่อาศัยกันอยู่จำต้องเป็นสมมุติอยู่ในขันแม้จิตจะเป็นนิมุติแต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่จิตจะต้องปฏิบัติต่อสมมติคือขันนี้โดยถูกต้อง เรื่องความเป็นอยู่อายุไขจึงจะเป็นไปได้เท่าที่ควรแก่ัวของของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีแม้ท่านจะได้สำเร็จถึงขั้นประหันแล้วก็าตามแต่การพิจารณาธาตุขันธ์ที่เรียกว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมประจําพระนิสัยของพระพุทธเจ้าและนิสัยของสาวก ที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนั้นจึงเป็นความจําเป็นตลอดสายจนถึงบรรลุ น, นิพพานนี่จะปล่อยวางไม่ได้ตามการอันควรที่จะต้องบำเพ็ญต้องเป็นประยขึ้เช่นนั้นนี่รักที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้หยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เท่านั้นไม่แต่ไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุแห่งจิตที่ว่าจะเศ้าหมองจึงต้องทำความเสียหนงนี้ อย่างนี้ไม่มีปัญหาที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโขกให้เห็นถ้ายังไม่เห็นชัดเขาไม่หายสงสัยพิจาจนาดูให้ดีสัตย์จะทำไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่กายกับใจนี้เท่านั้น ทุกก็มีอยู่ที่กายที่ใจคำว่าสมุทัยเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกก็มีจากใจออกมาจากใจมรรคอุบายวิธีที่จะแก้ไขก็คืออุบายออกมาจากใจนั่นแหละเมื่อมรรคได้ทําหน้าที่ไปควรจะปรากฏผลอย่างไรนิโรธที่เป็นตัวผลเกิดขึ้นจากมรรคนั้น จะต้องแสดงตัวออกมาเป็นลําดับาําดับคือดับทุกข์ไปได้เป็นลําดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางถึงขั้นละเอียดจนถึงขั้นสูงสุดคือทุกเรื่องของสมุทัยล้นล้วนภายในใจดับไปหมดสมุทยัยคืออวิชชานั้นดับไปทุกภายในใจก็ดับ ที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกทุกท่านเมื่อเป็นชะนั่นาศาสนาจะเลียวหลมไปที่ไหนศัตจูทำมีอยูก่กับทุกท่านทุกส ม, มุทยมีโรจนนะมีสมบูรณ์อยู่ภายในหลาเมื่อแกสิ่งอันนี้ให้ควรแก่กันและกันแล้วสิ่งที่ควรอย่างยิ่งคือความบริสุทธิ์เนื่องจากทำทั้งสีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนจะไม่แสดงตัวขึ้นมาอย่างไร ต้องแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกอรหันตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ก็คือรู้รอบตัวโดวยอำนาจของสัจจะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้มืดขับแย้งเคยมีมาแต่เมื่ อ, อไรจะเป็นอะไรต่อไปอ ไม่มีเผื่ตายก็เราก็ได้เห็นมาพอแล้วเรื่องทุกข์ก็เห็นมาพอสอนสูบยังพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นนั้นเรายังไม่เคยเห็นทุกข์แบบพระพุทธเจ้ารลิษาวกทุกข์มาเราก็เคยผ่านมาตามที่มันมาปรากฏอยู่กับตัวของเรา ส, ส่วนทุกข์ยอดเยี่ยมนั้นเรายังไม่เคยเห็น แล้วพระองค์ก็ที้ท่งบอกทางให้อย่างชาัดเจนด้วยไม่มีอะไรที่จะหน่าหลงลืมเพราะตะเคียนกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวงล้ ว, วนแล้วตั้งแต่เราเหยียบย่ําอริยสัจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งโดนทั้งนัง่งทั้งนอนผ่าเราค้นดูคลี่คลายดูแล้วเราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุกทุกสัจจะไม่มีสัจจะอันใดจะ ลบหีดติดตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะต้องวิ่งตามหากันเพราะสัจจะนี้ไม่ใช่นักโทษผู้ถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีให้ตำรวจตามจับยากยานี่มันอยู่ด้วยกันที่นี่โตได้พี่ค่ะ